สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะสบายๆคราวนี้อาจจะเป็นที่ผิดสังเกตอยู่บ้างที่ว่าไม่ได้เปิดรายการมาด้วยเสียงหวานๆของคุณริยาสุวิเศษศักดิ์แต่กลายเป็นเสียงของข้าพเจ้าเองคือพระสุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศวิหาร ทั้งนี้ก็เพราะว่าอาทิตย์นี้คุณอรยาได้ไปเข้าคอสปฏิิธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา9ก้าวันก็จึงไม่มีเวลาที่จะมาอัดรายการด้วยกันเพราะฉะนั้นคราวนี้พระพเจ้าก็เลยถือโอกาสฉายเดี่ยวก่อน ส่วนเรื่องที่อยากจะคุยให้ฟังในวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากก็อยากจะพูดถึงการทำสมาธินี่แหละเพราะว่าถ้าเราทำสมาธิเป็นเราใช้สมาธิได้ถูกต้องในชีวิตประจำวันอันนี้แหละมันจะเป็นการ นำเราหาเราเข้าไปใกล้เข้าไปถึงเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นั่นก็คือความพ้นทุกข์คือความดับไม่เหลือของทุกข์ทำให้เส้นฟังได้กลายเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งและนอนเป็นผู้ไม่มีทุกข์ใจได้ ทำไมเราต้องมาฝึกสมาธิล่ะก่อนอื่นพระเจ้าเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องของใจถ้าเราพี่นาธรรมะในเรื่องไหนๆก็แล้วแต่นี่เราไปพี่นาออกนอกใจเมื่อไหร่เราจะไม่สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์หรือทำไมข้อธรรมนี้ถึงไปเชื่อมโยงกับข้อธรรมนั้นได้เราจะไม่เข้าใจเลย เพราะว่าธรรมะทั้งหมดทั้งมวลของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยก็ได้ออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั่นเองท่านก็เทศท่านก็บอกท่านก็สอนออกมาจากจุดนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ได้ไกลหรือไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนอกจากหัวใจของเร า, เราท่า น, นนี่แหละ แต่ใจเนี่ยมันเป็นสภาพที่มันมองด้วยตามไม่ได้ไม่สามารถได้ยินได้ด้วยหูหรือริมรถได้ด้วยลิ้นหรือได้ดมกลิ่นด้วยจมูกหรือสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสเราทางมือทางร่างกายไม่สามารถทำได้เลยเพราะใจเป็นนามนธรรมเป็นนามนธรรมที่ มันรู้ได้ด้วยใจเอาใจนี่แหละไปรู้แต่การที่เราจะศึกษาเรื่องของใจได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักใจก่อนแต่ในเมื่อใจมันเป็นนามธรรมเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีที่จะทำให้เราสามารถที่จะรู้จักมันได้พระเจ้า ก, ก็เลยสอนเกี่ยวกับการฝึก ฝึกใจนี่แหละให้ใจมันมาอยู่ที่ที่หนึ่งที่เราจะสามารถถ้าเราเปรียบเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขา ก, ก็จะต้องอทดลองในสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถที่จะสังเกตได้แล้วก็รู้ความเป็นไปของปรากฏการณ์นั้นๆได้ใจเราก็เช่นเดียวกันนะเราก็ต้องหาวิธีที่จะควบคุมหรือ ถ้าเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือจับมันมาอยู่ในที่ที่เราจะสามารถสังเกตได้นั่นเองว่ามันจะเคลื่อนไหวยังไงมีพฤติกรรมยังไงนั่นแหละเราก็ทําเหมือนนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละแล้ววิธีที่เราจะสังเกตได้หรือจับมาอยู่ในที่ที่เราจะเฝ้าสังเกตได้เนี่ยพระเจ้าก็ให้แนวทางไว้ถึง40อย่างก็คือการที่เราจะมาฝึกสตินี่แหละ ฝึกสติเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เห็นใจของตัวเองแต่40อย่างที่ว่ามาเนี่ยเราคงไม่ใช้ทั้งหมดหรอกเราก็ใช้วิธีวิธีเดียวนี่แหละที่วันนี้จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ลองหัดได้ลองฟังทําความเข้าใจดูแล้วก็ได้ลองนำไปใช้เป็นวิธีการที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็คือการที่เรา มาเฝ้าสังเกต ร, รู้ลมหายใจของเราแ น, น่เองถ้าศัพท์เทคนิคหรื อ, อาภาษาบาลีที่ทางพระเขาจะใช้เรียกกันสำหรับวิธีนี้ก็คืออาณาปานสติก็แปลว่ามีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกพูดง่ายคือว่า ให้เรามารู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกสังเกตใจเราอยู่ตรงนั้นแหละเราจะสามารถที่จะเห็นใจเราได้จากการที่เราสังเกตลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงการที่เราจะฝึกยังไงในการดูลมเข้าในการดูลมออกเนี่ยก็จะขออธิบาย การทำงานของใจสักเล็กน้อยก่อนให้ท่านฟังพอเข้าใจกระบวนการของใจใจเราเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่คือรับจำคิดรู้ซึ่งอารมณ์ต่างๆขอย้ำว่าเป็นสี่อย่างนะคือรับจำคิดรู้ซึ่งอารมณ์ต่างๆแล้วอารมณ์ตัวนี้มาจากไหน ก็มาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความคิดนึกปรุงแต่งของใจไปเองแต่สิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยก็คือเอาใจเราเนี่ยมารู้อย่างเดียวมารู้คือมารู้สัมผัสที่ลมกระทบจมูกเข้าแล้วมารู้สัมผัสที่ลมกระทบจมูกเมื่อเวลาลมออกทำไมเราต้องมาดูลมละ่ะเพราะอารมณ์ต่างๆที่ใจเราเนี่ย ได้ไปเสวยได้ไปยึดได้ไปถือไว้เนี่ยก็มาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งเวลาที่เราใจเราไปรับอารมณ์ที่ดีใจเราก็เป็นสุขขึ้นมาคืออารมณ์ที่น่าพอใจแต่เวลาที่ไปรับอารมณ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจใจเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเห็นเห็นได้ง่ายขึ้นเลยนะว่าใจเราเนี่ย เกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ก็คือเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้ให้เราในแหละพอได้อารมณ์ที่พอใจใจเราก็เป็นสุขพอได้อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจใจก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นทีนี้แล้วลมหายใจละ่ะลมหายใจนี่มันเป็นอารมณ์กลางๆนะไม่ค่อนไปทางสุขแล้วก็ไม่ค่อนไปทางทุกข์เราจะเห็นได้ว่าเวลาเรานั่งดูลมหายใจเราอยู่เฉยๆเนี่ย อยู่เรื่อยๆไม่ได้ไปคิดนู่นคิดนี่ใจอยู่กับลมหายใจเนี่ยสภาพลักษณะอารมณ์ของการหายใจก็คือจะสบายๆกลางๆไม่ได้มีความสุขเหมือนเราไปกินอาหารอร่อยหรือมีความสุขเหมือนกับเราได้ไปเจอคนที่ถูกใจแล้วก็ไม่ได้มีความทุกข์เหมือนกับเวลาเราพลัดพลาดจากสิ่งที่เรารักหรือได้ในสิ่งที่เราไม่อยากได ก็เป็นอารมณ์กลางๆนี่แหละแล้วอารมณ์กลางๆเนี่ยมันดียังไงดีมากเลยนะท่านผูฟังเพราะว่าเวลาเรารู้จักความเป็นกลางเนี่ยเราจะรู้จักว่าทางซ้ายเป็นยังไงทางขวาเป็นยังไงพอ ร, รู้จักความเป็นกลางของอารมณ์เราจะรู้จักว่าความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงและชัดเจนขึ้นที่นี้ก็จะไม่พูดถึงให้มันเยื่นเยอะต่อไปละ เรามาเข้ากระบวนการการฝึกก่อนดีกว่าเพราะนั้นก่อนที่จะได้เข้าสู่กระบวนการการฝึกเนี่ยก็ ข, ขอให้ท่านฟังเนี่ยได้ฝึกตามไปด้วยเลยโดยการที่ถ้าใครนั่งเก้าอี้ก็สามารถทาได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่านอนทำเพราะว่านอนทำมันง่ายกับการที่เราจะหลับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราไม่ได้ฝึกอะไรเพราะว่าเราหลับไปแล้ว เพราะนันที่ดีก็คือว่าควรจะนั่งหรือการเดินก็ได้แต่การที่สําหรับผู้ใหม่เนี่ยขอให้ได้ฝึกกับริยาบทนั่งจะดีที่สุดแล้วถ้าใครนั่งกับพื้นได้ก็ดีถ้าใครนั่งกับพื้นไม่ได้แล้วมีความที่มันปวดแข้งปวดขามากเนี่ยกอ็อนุโลมมานั่งเก้าอี้ได้ แต่จริงๆแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็นั่งตามที่เราเคยได้รู้กันมาคือว่านั่งกตาตมารเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาท้ายวางไว้บนตักแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะท่าไห น, น่ก็เป็นการฝึกได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าสาหรับการเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็ขอให้ทำแบบนี้ปี่กอนเพราะว่าเวลาทำจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่ได้ฝึกร่างกายเราหรอกเราไม่ได้ฝึกนั่งเราไม่ได้ฝึกเดินแต่เราฝึกใจไม่ว่าอิริยาบถไหนๆเราก็สามารถฝึกใจเราได้แต่นั้นก็เป็นขั้นของผู้ที่ชำนาญแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญหรือมีความชำนาญ น, น้อยหรือเพิ่งเริ่มฝึกเนี่ยก็ขอให้ทาตามรูปแบบไปก่อนโดยการที่เราก็มานั่งคตมาน เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนตักแล้วก็หลับตาขั้นต่อไปคือหลับตาหลับตาเพื่อไม่ให้ตาเราเนี่ยมันไปบอกแแบบไปทางนู้นแล้วใจเราก็เผลอออกไปพอเราหลับตาแล้วเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยมาดูลมหายใจเราเริ่มต้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้สูดลมหายใจ ยาวๆสักสามครั้งสี่ครั้งแล้วก็คอยสังเกตไปด้วยว่าลมหายใจเนี่ยมันกระทบจมูกเราตรงไหนบางคนก็ไปชัดที่ปลายจมูกบางคนก็ไปชัดที่ตรงดั้งจมูกบางคนก็ไปชัดที่ข้างในจมูกลึกๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นลมที่มันกระทบกับโพรงจมูกเราเนี่ยได้ดีเหมือนตอนที่เราหายใจในช่วงหน้าหนาวเราก็จะรู้สึกถึงอากาศที่มันเย็นอยู่ในโพรงจมูกเราเนี่ยแหละเราก็ตั้งสติเราเนี่ยดูตรงนั้นแหละดูแต่เราก็ไม่ได้ยึดลมนะแล้วเราก็ไม่ได้บังคับลมด้วยถ้าท่านฟังเนี่ยเห็นลมแล้วว่ามันกระทบ ตรงโพรงจมูกเราตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ชัดแล้วเนี่ยก็ขอให้ปล่อยปล่อยการหายใจให้มันเป็นไปตามปกติธรรมชาติเป็นไปตามในแบบที่ร่างกายเรามันเป็นไปซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ควบคุมการหายใจหรอกร่างกายมันก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นไปตามปกติธรรมชาติของร่างกายที่มันเป็นไปอยู่แล้วเรามีหน้าที่คือ ส่งความรู้สึกตัวเนี่ยมาดูลมหายใจว่านี่นะมีสัมผัสของการที่ลมมันกระทบจมูกเราเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ตามลมหายใจว่าจะออกไปถึงไหนจะเข้าไปถึงไหนเราไม่ตามลมไปเลยขอให้ท่านฟังเนี่ยสังเกตลมอยู่ที่เดียวที่ที่ปลง n g จมูกของเราเนี่ยแหละ ว่มันกระทบเข้าหรือออกจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันด้วยก็ได้ว่ามันเป็นลมเข้าหรือมันเป็นลมออกขอแค่เรารู้สึกว่านี่แหละมันมีลมเข้าอยู่ตรงนี้มีสัมผัสของลมออกก็อยู่ตรงนี้แค่นั้นพอแล้วสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าไม่ว่าเราจะได้ยินเสียงอะไร แม้จะเป็นเสียงเทศก็ตามได้ยินเสียงเราก็ดึงกลับมาที่ลมเอาความระลึกรู้ของเราเนี่ยดึงกลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเราเผลอไปรู้สึกว่าอันนี้แขนเรานะนี่ขาเรานะเราก็ไม่ใส่ใจเราก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจของเราเหมือนเดิมบางครั้งก็เผลอไปทางความคิด ว่าคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ลืมลมหายใจไปเราก็ดึงความระลึกรู้ของเราเนี่ยกลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ส่งความรู้สึกของเราเนี่ยไปหาลมเรามีหน้าที่คอยดูมันเฉยๆว่ามันมีอยู่ไม่ส่งความรู้สึกของเราเนี่ยพุ่งเข้าไปหาลม เราเนี่ยถอยความรู้สึกของเราพูดง่ายคือต้องใช้คำศัพท์ว่าไม่ไปยึดลมหายใจไว้ดูมันอยู่เฉยๆเหมือนเราดูโทรทัศน์นี่แหละเราดูโทรทัศน์แต่เราไม่ได้เข้าไปในโทรทัศน์เราก็มีหน้าที่เห็นภาพที่มันเคลื่อนไหวไปมาใจเราก็เหมือนกันใจเราที่เห็นลมหายใจเนี่ยก็เห็นว่าลมหายใจนี่เป็นสิ่งหนึ่งต่างหากส่วนความรู้สึกที่ว่านี่เนี่ย ตัวนี้แหละที่เป็นตัวรู้ว่ามีลมหายใจอยู่พูดง่ายก็คือตัวสตินี่แหละเราเอาสติตัวนั้นไว้ยึดตัวนั้นไว้ตั้งตัวนั้นไว้ให้มันคงอยู่ตรงนี้แหละแล้วที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือว่าความรู้สึกตัวที่มันเจ็มชัดอย่าปล่อยให้ความรู้สึกตัวของเราความรู้สึกที่มันรู้ลมหายใจอยู่อันนี้เนี่ย เลือนลางไปหรือว่าเสื่องซึมไปต้องทำให้ความรู้สึกที่ว่าเรารู้ลมเนี่ยชัดเหมือนกับตื่นเหมือนกับเรากําลังพูดคุยอยู่กับเพื่อนเหมือนกับว่าเรากาลังเดินไปเที่ยวให้ความรู้สึกของเราเนี่ยชัดขนาดนั้นแล้วเวลาที่ความรู้สึกของเราชัดขนาดนั้นเนี่ย บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงสมาธินั้นเนี่ยก็แปลว่าความตั้งมั่นของใจแปลว่าความตั้งมั่นของใจคือใจที่ตั้งมั่นในอารมณ์เป็นหนึ่งคืออารมณ์ของการหายใจไม่โคลนเคลนไปตามอารมณ์ทางตามความคิดอารมณ์ทางส่งมาทางร่างกายว่าโอ้เราเจ็บปวดอยู่นะหรือได้ยินเสียงเราก็ปล่อยใจไปทางเสียง อันนี้คือไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องการของการเป็นสมาธิก็คือว่าใจเราเนี่ยมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์ของการหายใจอยู่อย่างตั้งมั่นได้อย่างต่อเนื่องบางคนก็อาจจะคิดว่าการเป็นสมาธิที่ดีเนี่ยมันจะต้องไม่ได้ยินเสียงต้องไม่รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันมีอยู่อันนั้นก็ถูกต้องเหมือนกันแต่มันเป็นสมาธิที่เป็นสมาธิที่ ลึกมากแล้วก็เป็นการที่เราจะได้กำลังของจิตมากเป็นสมาธิที่ดีมากแต่สมาธิที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยคือสมาธิที่เราสามารถที่จะเห็นรูปได้ด้วยตาฟังเสียงได้ด้วยหูรับรู้กลิ่นได้ด้วยจมูกรับรู้รสได้ด้วยลิ้นรับรู้สัมผัสได้จากทางกายแล้วก็รู้ว่าใจเราเนี่ยกำลังคิดนึกปรุงแต่งอะไรอยู่สมาธิในลักษณะนี้นี่ เราเนี่ยจะไปใช้งานเพราะว่าถ้าสมาธิที่เราไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันมีทุกข์เพราะอะไรเราไปเผลอมีความทุกข์อย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรเป็นสาเหตุของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แต่ถ้าเรารู้ว่า เราเห็นใจอยู่ตลอดเวลาเรามีสติเรามีสมาธิในที่ใจเราตั้งมั่นอยู่ตรงเนี้ยแล้วเห็นว่าใจเราไปรับอารมณ์ทางตามาแล้วเกิดความทุกข์ใจเราก็รู้มีราคะเกิดขึ้นในจิตเพราะได้ยินเสียงเราก็รู้ได้สมาธิอย่างนี้แหละที่เราจะต้องทำให้มีทำให้เกิดขึ้น แต่สมาธิอย่างนี้เนี่ยจะมีได้เนี่ยความรู้สึกตัวของเราต้องไม่ซึ่งซึมลงไปอย่าปล่อยให้สติมันซึ่งซึมลงไปให้สติเนี่ยมันแน่วเป็นหนึ่งอยู่ที่สัมผัสของลมที่มันกระทบจมูกเราเนี่แหละเรามีหน้าที่อยู่แค่สองอย่างคือตั้งใจดูลมหายใจ อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ลมหายใจเราก็ไม่ใส่ใจคำว่าไม่ใส่ใจนี่คือไม่ใส่ใจไม่ใช่ว่าไปเคร่งเครียดว่าวิลเลาเผลออีกแล้วน ะ, ะไม่ใช่อย่างนั้นเราปล่อยมันไปไม่สนใจมั น, ม, นมาแล้วไม่สนใจเราก็เดินกลับมาที่ลมหายใจสังเกตว่ามันจะต่างกันนะต่างกันตรงที่ว่าอันหนึ่งมีความเคร่งเครียดอยู่ในใจ อีกอันหนึ่งเป็นความสบายสบายที่มันยังตั้งอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ทําให้มันเคร่งเครียดเราไม่บังคับลมเรารู้ว่าเผอเราก็ทําใจสบายๆแล้วก็ดึงอารมณ์ของเราเนี่ยกลับมาที่ลมหายใจเราก็ไม่ได้ทําอะไรมากทําอยู่แค่นี้อันนี้ที่เรากำลังทาอยู่นี้เรียกว่าการทําสมถะกรรมาฐาน คือฐานที่ตั้งของการงานที่ทำให้ใจเราเนี่ยสงบระงับสงบระงับจากอะไรสงบระงับจากนิวรนี่แหละนิวรคือกิเลสเครื่องกลางกั้นใจของเราเนี่ยแหละมีอะไรบ้างก็มีการมาฉันทะคือความยินดีพอใจในกรรมพยาบาทคือ ความผูกเวนจองเวนเป็นต้นวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยถีนามิทะคือความง่วงเงาหานอนจิตที่มันซึ่งซึมนี่แหละแล้วก็อุทจักกุกุ จ, จักคือความฟุ้งซ่านอยู่ในใจเรา เพราะฉะนั้นอาการของใจเราเนี่ยที่5อย่างอันนี้มันสงบระงับลงไปพูดง่ายคือมีอารมณ์ที่มันตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจคือเป็นอารมณ์ที่กลางๆตั้งมั่นอย่างนี้อยู่ได้เนี่ยห้ตัวนี้มันจะหายไปอยู่แล้วโดยอัตโนมัติใจเราก็จะเรียกว่าเป็นใจที่มีสมาธิเกิดขึ้นใจเราก็จะสบายเกิดขึ้นความสบายที่เกิดขึ้นของใจเราเนี่ย อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนที่เราต้องคอยระวังอยู่เพราะว่าความสบายเกิดขึ้นในใจเมื่อไหร่เนี่ยใจเราเนี่ยก็จะเผลอเผลอไหลไปกับความสบายที่มันเกิดขึ้นเวลาใจมันไหลไปกับความสบายที่มันเกิดขึ้นเราก็จะทิ้งลมหายใจไปบางครั้งก็จะเห็นลมหายใจอยู่แต่ใจมันไม่อยู่กับลมหลอกมันเผลอไปอยู่กับความสบายของใจที่มันเกิดขึ้น ถ้าเรายังไม่รู้ตัวอีกใจเราก็จะส่งไปหาความสบายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือกำลังสติของเราก็จะอ่อนลงพออ่อนลงก็จะเกิดการที่เขาเรียกว่าจิตมันจะหลบเข้าผวังไปหลบเข้าผวังไปก็คือจิตก็จะไปแช่อยู่ในอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งไปแช่อยู่ในอารมณ์สบายเสื่องซึมหรือบางครั้งก็มมีอาการเหมือนกับหลับไป ซึ่งเราไม่ต้องการจิตลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความสบายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งต่างหาพยายามไม่ปล่อยให้ใจเราเนี่ยเผลอเพลินไปกับความสบายที่มันเกิดขึ้นถ้าท่านฟังทําได้อย่างนี้เนี่ยรับรองว่าท่านฟังเนี่ยจะสามารถที่จะนําจิต ที่มันมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือที่เรียกว่าเอกคตารมแล้วก็กำลังสติที่มันแจ่มชัดอันนี้แหละสามารถที่นำมันไปใช้ในการที่จะรู้เท่าทันตามความเป็นจริงรู้เท่าทันใจเรานี่แหละที่มันเผลอไปทางไหนเผลอไปยึดอะไรไว้ท่านฟังจะสามารถเห็นใจของท่านฟังได้ พอเรามีสติกำลังที่มีกำลังอย่างนี้แล้วมีอารมณ์ที่มันเป็นหนึ่งอย่างนี้แล้วสิ่งที่ควรจะทำต่อไปก็คือว่าขอยเฝ้าสังเกตใจเรานี่แหละขอยเฝ้าสังเกตใจของเราพิณาใจของเราว่ามันไปยึดติดอะไรไว้มันไปยึดติดกับอารมณ์ใด ถ้ายังเป็นในการฝึกเป็นรูปแบบอย่างนี้ก็ขอให้ท่านฟังเนี่ยได้พิจารณาถึงความเป็นไปของร่างกายนี่แหละว่าร่างกายของเราเนี่ยที่เราว่ามันดีนักหนาสวยงามนักหนามันเป็นจริงอย่างนั้นไหมที่คำว่าสวยงามมันสวยงามตรงไหนลองพิจารณาดู ลองมองให้มันเห็นถึงความเป็นจริงของมันสิว่ามันเป็นอย่างไรบ้างผิวหนังของเราเนี่ยที่เราว่าโอมันสวยมันขาวมันละเอียดเป็นเพราะว่าเราเนี่ยกำลังปิดบังเอาไว้ไม่ให้ใจของเรามันเห็นความเป็นจริงลองปล่อยมันทิ้งไว้สิทิ้งไว้ทิ้งไว้สามวันห้าวันไม่ต้องทำอะไร เดือนหนึ่งเป็นยังไงก็จะมีขี้กาที่เกลื่อนเนี่ยเกิดขึ้นนั่นแหละที่ผิวหนังฟันของเราเนี่ยถ้าไม่แปลงจะเป็นยังไงบ้างไม่ต้องสองสามวันหรอกแค่วันเดียวเท่านั้นแหละตอนเย็นล้วก็มีเกลื่นปากนั่นแหละที่ว่ารักที่ว่าคนนี้สวยคนนี้หล่อเนี่ยลองฟันมันไม่ได้แปลงสักาสี่วันอ้าปากขึ้นแล้วจะจูบลงไละ่ะ มันไม่อาบน้ําสักหาวันเจ็วันเดือนหนึ่งเริ่มมีขี้กลากขี้เกลื่อนขึ้นตามตัวเราจะกอดเขาได้ไหมละ่ะมีแหละความเป็นจริงไม่ต้องนับว่ามันเป็นโรคผิวหนังมีน้ําเหลืองน้ําหนองผู้พ อ, องมาไม่ต้องไปคิดขนาดนั้นถ้ามันเป็นขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนไม่มีใครใกล้ยอยู่แล้วความเป็นจริงเนี่ยมันคืออย่างนี้แต่สิ่งที่เรากำลังทําอยู่ทุกวันเนี้มันขัดกับความเป็นจริงแค่ น, นั้นแหละ เราปิดบังความเป็นจริงเอาไว้ def. ความเป็นจริงมันคือเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามแต่เรากลับปก ป, ลปกปิดความจริงอันมีค่าเหล่านี้ปกปิดความจริงอันมีค่าเหล่านี้กับใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยมองไม่เห็นความเป็นจริงอันมีค่าที่จะสามารถทำให้ใจเราเนี่ยปล่อยได้วางได้ ไม่ยึดติดกับมันได้ผมเป็นยังไงเราไม่สะไม่ทำระร้างมันก็เป็นสักกะตังมันไม่ได้สวยงามเป็นมันเป็นดำคลับหรือสวยอย่างที่เราเข้าใจหรอกถึงแม้ว่ามันยังดียังมีสุขภาพดี เราต้องตัดมันออกมาสิแล้วมากรองทิ้งไว้หน้าเราเนี่ยเรายังชอบมันอยู่ไหมล่ะถ้าผมมันไม่อยู่บนหัวมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งน่ารักน่าใครอะไรทำไมมันถึงอยู่บนหัวแล้วมันถึงดีทำไมพอมันอยู่นอกหัวแล้วมันจึงไม่สวยงามเท่าเดิมเราไม่รักไม่ใคร่มันเหมือนเดิมเป็นเพราะว่า ใจเราเนี่ยแหละเห็นว่าถ้ามันอยู่บนหัวถึงจะดีเห็นว่าถ้ามันไม่อยู่กับหัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่สวยเท่าเดิมแล้วทั้งทั้งที่มันเป็นผมเส้นเดียวกันอันเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยใจมันควรจะไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนมันควรจะได้ความรู้สึกอันเดียวกันเกิดขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่า ได้ความรู้สึกที่มันไม่เหมือนกันของที่มันเหมือนกันกลับกลายเป็นเราเห็นไม่เหมือนกันโอ้ใจเรานี่แหละมันเห็นผิดมันสำคัญผิดเพราะฉะนั้นสอนมันบ่อยๆสอนใจเราบ่อยๆให้มันเห็นไม่ตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละมันถึงจะคลายความไม่รู้หรือรู้แบบผิดๆที่สั่งสมมาแต่ ไหนแต่ไหนได้เป็นเพราะเรารู้ถึงความเป็นจริงตรงนี้เป็นเพราะเราเข้าใจถึงความเป็นจริงอันนี้ใจเราจึงไม่ยึดไม่ถือกับสิ่งเหล่านี้ได้พอไม่ยึดไม่ถือไม่ว่ามันจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปยังไงเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับมัน ก่อนที่จะให้ทุกท่านได้เลิกนั่งสมาธิเราขอให้ทุกท่านได้สูดลมหายใจลึกๆสัก3ามครั้งหรือ4ี่ครั้งยาวๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาใจจริงก็อยากจะพาท่านฟังเนี่ยได้ นั่งสมาธิให้ได้มากกว่านี้แต่ก็เป็นเพราะว่ า, เ, าเวลามันค่อนข้างจำกัดนิดหนึ่งนี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วละ่ะถ้าจะพาให้มันยืดยาวไปกว่านี้ก็สามารถทำได้แต่ก็คิดว่ า, าทิ้งไว้อย่างนี้แหละเผื่อว่าใคร มีความสนใจมีความเพิ่มเติมหรือว่านั่งไปแล้วเมื่อกี้นี่มีมีความรู้สึกมีอะไรปร ะ, ประหลาดเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเขียนมาถามได้ก็เข้าไปที่หน้าเพจของอีซี่ธรรมะแล้วก็เขียนข้อความทิ้งไว้ได้ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ต้องตอบเฉพาะก็จะตอบเฉพาะ แต่ถ้าเป็นอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วมันสามารถที่จะอตอบให้คนทั่วๆไปได้รู้ได้ทำความเข้าใจกันได้นี่ก็จะยกยอดเอาไว้เป็นคราวถัดไปทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือว่าอันนี้เป็นการฝึกในรูปแบบแต่ก็สิ่งที่อยากให้ท่านฟังเนี่ยเอาไปใช้ใชก็คือ เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นสติที่มันมีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสำคัญนะท่านฟังคือเราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ก็ส่งใจไปทำงานเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แบ่งไว้สักครึ่งหนึ่งที่มันอิเล็กเข็ดขัสมัยก่อนเนี่ยคิดไปเรื่องนน้นฟุ้งซ่านเรื่องนี้เนี่ยเก็บที่มันอิเล็กเข็ดๆักเหล่านี้เนี่ยมาดูลมหายใจให้ลมหายใจเนี่ยมันเป็นเกราะคุ้มครองใจของท่านฟัง เพราะว่าพอท่านฟังเห็นใจแล้วเนี่ยท่านฟังก็จะค่อยๆมีพัฒนาการที่จะเห็นว่าเมื่อกี้ใจเราเผลอไปหาความสุขหรือความทุกข์มาใส่หัวใจของเราฝึกจากตรงนี้แหละฝึกจากการที่เรามาคอยรู้รู้ลมอยู่เรื่อยๆนี่แหละพอรู้ลมเห็นใจท่านฟังก็จะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นว่านี่แหละเป็นเพราะใจเราเผลอ ไปหาสิ่งที่มันเป็นความทุกข์มาใส่ตัวเพลอที่จะไปเห็นผิดมีความคิดแบบผิดผิดมีความคิดที่มันขัดแย้งกับความเป็นจริงมีความชอบที่มันขัดแย้งกับความเป็นจริงมันจึงทำให้ใจเราเนี่ยเป็นทุกข์ได้สังเกตมันอยู่อย่างนี้แหละท่านฟังค่อยๆหาเวลาเพิ่มสัดส่วนของการที่เราจะมี ลมหายใจเป็นเครื่องคุ้มครองใจเราเนี่ยให้มากขึ้นในชีวิตประจำวันของเราจนตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนถ้าฟังมีสติที่อยู่กับลมหายใจคุ้มครองใจได้อยู่ตลอดเวลาแม้นั่นแหละท่านฟังท่านฟังจะได้เห็นว่าความทุกข์ที่มันมีในชีวิตของข้างฟังเนี่ยมันลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปชีวิต ประจมันของท่านฟังเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นเนื่องจากว่าทุกข์ที่มันมีมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่ก็สมควรเก็บเวลาแล้วละ่ะก็ขอให้ท่านฟังเนี่ยได้ลองนำเอาไปใช้กันดูแล้วก็ค่อยมาพบกันคราวหน้าสำหรับอิสวร์ที่8ก็ขอ มีเท่านี้แหละเฉินผ่อน